สังคมจะมีสันติสุขได้คนต้องรู้จักความสุขจากการให้เรื่องความสุขทางสังคมและความสุขของสังคมนั้นบอกแล้วว่าเป็นเรื่องใหญ่ท่านสอนไว้มากมายให้ตระหนักว่าจะต้องออนใจใส่ถือเป็นเรื่องสำคัญถึงแม้จะพูดไปแล้วก็ยังมีเรื่องที่ควรพูดเพิ่มอีกเมื่อกี้นี้นั้นแง่คุณธรรมในใจ คือที่ว่าเป็นความสุขทางสังคมก็เป็นความสุขในตัวคนในใจของคนที่เป็นมิติทางสังคมที่โยงไปในด้านของสังคมเป็นการจำแนกให้เห็นว่าคนเราแต่ละคนนี้มีความสุขได้หลายด้านและด้านหนึ่งคือความสุขทางสังคมที่นี้จะให้ชัดว่าความสุขทางสังคมนั้น ที่จริงหมายถึงออกไปเป็นความสุขของสังคมพร้อมไปด้วยจึงต้องพูดต่อไปถึงหลักธรรมที่โยงจากคุณธรรมในใจออกไปสู่การปฏิบัติในสังคมจนเต็มกระบวนรครบวงจรขอเริ่มง่ายๆถามว่าเมื่อในใจคนเกิดมีเมตตาอยากให้คนอื่นเป็นสุขมีเการุณาอยากให้คนอื่นหลุดพ้นไปจากทุกนั้น เข้ามาแสดงออกไปด้วยการทำอะไรที่เป็นพื้นฐานที่สุดคำถามนั้นมาบรรจบกับคำถามนี้ว่าทำมาอะไรที่พระพุทธเจ้าตรัสบ่อยที่สุดสำหรับชาวบ้านคำตอบง่ายบอกว่าทานพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยทานชาวบ้านทั่วไปพอจะรู้เข้าใจหลักที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสามซึ่งเป็นหลักปฏิบัติ ชุดของคฤรืหัดที่เทียบคู่กับชุดรายศิกขาของพระสงฆ์พูดง่ายงว่าของพระคือรายศิกขาของโยมคือบุญกิริยาสามคือทานศีลภาวนาบุญกิริยาที่เรียกเต็มว่าบุญกิริยาวัตถุสามหรือบุญกิริยาวัตถุสิบก็ตามเริ่มด้วยข้อแรกคือทาน หลักธรรมสำคัญสำคัญสำหรับประชาชนหรือมนุษยชนขอให้สำรวจดูเถิดมีทานเป็นข้อแรกทั้งนั้นทานอันแปล ง, ง่ายๆว่าการให้ที่สำคัญอย่างนี้บ่งบอกความหมายอะไรก็บอกให้รู้ให้ตรหนักว่าในเรื่องของมนุษย์นั้นการสแสวงหาวัตถุการจัดสรรวัตถุการครอบครองวัตถุ และการเสพวัตถุเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและที่สแสวงหาที่จัดสรรที่ครอบครองนั้นก็มาจบมารวมลงที่เสพคือกลุ่มทั้งบริโภคนี่หละมนุษย์มีแนวคิดมีความรุ่นคิดพื้นฐานอะไรอย่างน้อยจากแรงบีบคั้นของความต้องการอยู่รอดทำให้เข้าหาทางดิ้นรนสแสวงหาเพื่อตัวเอง เขาก็คิดถึงการที่จะได้จะเอาจนกระทั่งความคิดนี้เป็นความเคยชินติดเป็นพื้นใจเมื่อสแสวงหาได้มาเอาไว้เอาไว้ก็ไม่รู้จบไม่รู้พอแต่วัตถุสิ่งเสพมีจำกัดและการแย่งชิงเบียดเบียนกันก็เกิดขึ้นและแพร่ขยายออกไปสังคมมนุษย์จนถึงทั้งโลกก็เดือดร้อนบอกว่าไม่มีสันติภาพ ทางแก้คือทำรรมะก็จึงเริ่มต้นที่ฐานด้วยการให้อย่างน้อยก็สร้างดุลไว้ถ้าเป็นไปได้พอไว้ก็ฟังเข้าไปให้เป็นนิสัยของจิตเป็นความเคยชินของความคิดติดเป็นพื้นใจเริ่มต้นก็บอกว่าคุณอย่าคิดแต่จะได้จะเอาอย่างเดียวจะทําให้เบียดเบียนกันแล้วคุณเองก็จะเดือดร้อนด้วยทางที่ถูกที่ดี คู่กับการได้การเอานี้ก็ต้องมีการให้ด้วยคือพร้อมกับจะได้จะเอาก็ให้มีทานขึ้นมาเข้าคู่กันเป็นอันว่าคู่กับพฤติกรรมพื้นฐานอันแรกของมนุษย์ที่สแสวงหาจะได้จะเอาจะเสพเพื่อตอนเองก็มีการให้ปันแก่ผู้อื่นบ้างเพราะฉะนั้นทานจึงขึ้นมาเป็นข้อแรก เป็นข้อธรรมพื้นฐานสำหรับสังคมมนุษย์ที่เราจัดว่าเป็นฝ่ายขริหัสหรือชาวบ้านอย่างที่ว่าเมื่อกี้ฐานนี้มาเป็นฐานที่จะพัฒนาคนขึ้นไปสู่ธรรมะอื่นๆต่อๆไปที่กว้างที่สุดก็คือในชุดบุญกิริยาวัตถุสามสำหรับพัฒนาชีวิตของคนโดยจัดเป็นฐานศีลภาวนา เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงําแก่ชาวบ้านทั่วไปที่ยังไม่ค่อยมีพื้นความรู้ตามปกติทรงแสดงคําสอนปูพื้นขึ้นไปตามลำดับก่อนเรียกว่าอนุปปิกถามีหข้อก็เริ่มด้วยฐานกถาคือเรื่องฐานแลจึงต่อด้วยศีลกถาเรื่องศีลสัจคถาเรื่องสวรรค์กามธีนกโทษของกาม และเนคขมา น, นิสงอ น, นิสงแห่งเนคข ม, มะแล้วก็มาเข้าอยู่ในชุดสังหาวัตถุสี่หลักการสงเคราะห์สำหรับยึดเหนี่ยวผนึกสังคมทั้งหมดไว้ได้แก่ทานปิยวาจาอัตจาริยาสมาณัตาแล้วก็ชุดทศพิตราชธรรม ธรรมะของพระราชาสิบอย่างคือคุณธรรมสำหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองได้แก่ทานศีลปริจาคะอาชวะมัทธวะตบะอโกธาอวิหิงสาคันติอวิโรธนะแม้แต่ในชุดบา ร, รมีสิบที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญก็มีลำดับว่าทาน ศีลเนคมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาทานยังอยู่ในธรรมะชุดอื่นอีกและเป็นข้อแรกเป็นธรรมดาความสำคัญของทานก็คงไม่ต้องพูดให้มากคนไม่มีจะกินจะอดตายทุกแค่ไหนก็รู้กันและทานนี่แหละ แก้ได้กว้างออกไปคนแย่งชิงเบียดเบียนกันแสนจะเดือดร้อนก็เอาทานมาช่วยอย่างน้อยก็พอบรรเทาแค่นี้ก็เห็นไม่ยากว่าทานช่วยให้เกิดความสุขของสังคมได้อย่างไรนอกจากคุณค่าในตัวของมันเองแล้วทานก็มาเป็นตัวประกอบที่สำคัญยิ่งคือเป็นตัวหนุนศีล เมื่อมีการให้กันแล้วก็ทําให้มนุษย์รักษาศีลหรือคงอยู่ในศีลง่ายขึ้นทําให้ไม่ต้องแข่งแย่งชิงกันเพราะมีการให้แล้วคนที่ไม่มีเลยจะต้องคิดแย่งเขาพอทานมาก็หยุดได้บางคนมีความเข้มแข็งทางศีลธรรมมากหน่อยถ้าไม่ขาดแคลนมากนักก็ไม่เอาไม่ไปลักขโมยไม่ไปเบียดเบียนใคร แต่เมื่ออดอยากขาดแคลนมากนะักทนไม่ไหวก็จะเอาอย่างนี้ทานก็ช่วยได้แต่คนบางพวกที่แทบไม่มีภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมเลยพอขาดแคลนนิดหน่อยหรือแม้จะไม่ขาดแคลนเห็นของใครก็อยากได้อยากเอาอย่างนั้นก็ต้องพิจารณาวิธีพัฒนากันอีกชั้นรวมแล้วมนุษย์มีหลายระดับ ถึงอย่างไรก็ให้มีฐานไว้พอมีการแบ่งปันมีการดูแลเอาใจใส่ใครขาดแคลนก็ให้ก็พ่อนเบาให้การเบียดเบียนการลักขโมยแย่งชิงลดน้อยลงไปเป็นการเกื้อหนุนการรักษาศีลในสังคมเอาเป็นว่าฐานเป็นฐานที่จะช่วยค้ำหนุนพยุงศีลไว้ไม่ให้มนุษย์ต้องเบียดเบียนกันมากมนุษย์จะรักษาศีลได้สะดวกขึ้น ทีนี้ต่อจากเป็นตัวช่วยหนุนศีลแล้วทานก็ไปประกอบภาวนาด้วยแม้แต่ผู้ที่บำเพ็ญสมถะวิปัสสนาก็เอาใจใส่ไม่ละเลยการให้ทานโดยถือเป็นเรื่องสำคัญไม่เพียงด้วยเหตุผลทั่วไปที่ได้ว่ามาและเพราะเป็นธรรมมะอยู่ในชุดบุญกิริยาเดียวกันที่พึงบำเพ็ญให้ครบไม่ใช่เท่านั้น พระพุทธเจ้ายัางตรัสถึงการบำเพ็ญสมถะวิปัสสนาที่ได้ทานเป็นจิตตาลังการและเป็นจิตบริการอีกด้วยการบำเพ็ญทานของผู้บำเพ็ญภาวนานี้เป็นจิตตาลังการคือเป็นอลังการของจิตเป็นจิตบริขารคือเป็นบริการของจิตหมายความว่าการไปให้ไปสละบำเพ็ญทานนั้น ส่งผลทางจิตใจมาช่วยประกอบประดับปรับแต่งจิตโดยทำให้จิตนุ่มนวลอ่อนโยนโน้มน้อมไปในกุศลเสริมเพิ่มกำลังให้แก่จิตรวมแนวมุ่งมาทางกุศลได้ดีช่วยเปิดจิตสลัดออกไปทำให้จิตโล่งโปร่งเบาผ่อนคลายทำให้จิตงามผอ่องน้อมสู่สมาธิเอื้อต่อการชำระจิตและการที่จะพัฒนาสูงขึ้นไป แม้แต่เกิดปีติสุขจากการบำเพ็ญทานก็ช่วยการเจริญภาวนาได้อย่างดียิ่งแล้วช่วยให้เดินหน้าไปในภาวนาช่วยให้บำเพ็ญสมถะวิปัสสนาได้ง่ายเพราะอย่างนี้แหละคฤหัสถ์แม้จะเป็นอริยาสาวกบรรลุธรรมสูงชั้นไหนก็บำเพ็ญทานกันทั้งนั้นทานที่มีความหมายกว้างคือการให้การเผื่อแผ่การแบ่งปัน การจัดสรรความช่วยเหลือกันในสังคมมนุษย์อย่างที่ว่าแล้วเป็นฐานที่จะให้มนุษย์อยู่กันดีมีความสุขจึงสำคัญมากเรารู้กันดีและเป็นที่สังเกตกันทั่วไปว่าทานเป็นเรื่องเด่นในพระพุทธศาสนาดังที่ได้สั่งสอนและสะสมกันมาจนกระทั่งในเมืองไทยในแง่ที่เป็นเมืองพุทธนี้มองเห็นกันชัดว่า คนไทยเป็นคนที่ให้ง่ายสละง่ายมีน้ำใจแบ่งปันแต่ทั้งนี้ก็ต้องทำให้ถูกต้องทำโดยไม่ประมาทเช่นว่าให้ด้วยปัญญาให้โดยรู้จักพิจารณาระมัดระวังคนข้างเคียงที่จะเสียหายแล้วก็ต้องไปประสานกับการปฏิบัติธรรมอื่นไม่ควรเป็นนึกว่าฉันมาถึงขั้นภาวนาแล้วฉันไม่ต้องให้ทานแล้วอะไรอย่างนี้ ไม่ถูกทางช่วยกันย้ำว่าต้องให้ทานเมื่อเกื้อหนุนภาวนาอย่างน้อยให้เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบำเพ็ญทานให้เป็นจิตตาลังการเป็นจิตตะบริขารอันจะช่วยให้การบำเพ็ญสมถะวิปัสสนาของตนได้ผลดียิ่งขึ้นดังได้ว่ามา